เรื่องมันเกิดขึ้นในซัมเมอร์ปีหนึ่งเมื่อบันดาสจวดและแอร์รุ่นเดียวกับผมนัดรวมพักพวกที่มีเวลาว่างตรงกัน10คนจัดทริปไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งโดยพักที่บ้านขึงรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวห่างออกมาจากชายแดนประเทศกัมพูชาไม่มากนักด้วยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดินพวกเราจึงทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพโดยรถโดยสารปรับอากาศของบองอสอจากสถานีเอกมัย มาลงที่ตัวจังหวัดตราดแล้วต่อลุสองแถวไว้ที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีหนึ่งซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พบคําทุกคนจึงดูเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขณะที่เรียกได้ว่าแทบจะคลานขึ้นบ้านพักกันเลยหลังจากเติมพลังด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมไว้ให้จนยิ่มหมีพิมันแล้วพวกเราจึงออกเดินสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบมันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไป คือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่าๆตัวเรือนทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทยได้เป็นอย่างดีด้านหน้าเป็นท้องทะเลสีครามกับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านด้านหลังยิงแอบกำเนินเขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสรรพสัตว์ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมออน้นแต่เสียงหนึ่งที่ทาให้ผมขนวลุก ด้วยความกลัวบนขยะกระแขงงมากที่สุดคือเสียงของทุกแกที่ไต่ย้อยแย่อยู่ตามผนังบ้านระหว่างทางพวกเราได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนต่างมีอัธยาศัยดียกเว้นพ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมและซุบซิบกันด้วยท่าทีแปลกๆคืนนั้นพวกเรานั่งเฮฮากันริมชายหาดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนถึงเที่ยงคืน จึงเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความที่สนิทกันมากแต่ละคนจึงอยากลากเอาที่นอนหมอนมุ้งมานอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวต่างพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานสักพักใหญ่ใหญเสียงจ็อกแจ็กจึง ค, ค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลางๆเสียงเกลียวขึ้นกระทบฝั่งเบาๆประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทําให้ผมหลับไปอย่างง่ายดาย เวลาผ่านไปนานเท่าไหรไม่ทราบผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงทุกแกร้องน ง, งมอยู่ภายนอกเสียงนั่นทําให้ต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงเอามือขุดหูด้วยความกลัวหน้าแปลกที่บรรดาเพื่อนเพื่อนยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงทุกแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆผมพยายามฟังว่าพวกเขากําลังพูดอะไรกัน แต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเหมือนกับเป็นภาษาเขมรผมค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความ ม, มืดมิดที่มีแสงจนสันทร์สลัวๆภาพ ล, งลางๆที่เห็นเบื้องหน้าคือชายหญิงและเด็กที่ผมบอกตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่ำนั่นเองการสนทนาสะดุดหยุดลงทันทีเหมือนรู้ว่ามีคนกาลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดหันจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชา อ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานนี่เองผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆเดือเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่มีอะไรหรอครับมาทำอะไรกันดึกๆดื่นๆอย่างนี้เสียงของผมทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัวเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ้มกาลังงอนเงนินลุกขึ้นนั่งเพียงเสี้ยววินาทีที่ผมละสายตาจากพวกเขานั้นพลันปรากฏภาพของเด็กผู้ชายตัวเล็ก อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่มายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแว่งเล่นในมือผมงงงันกับภาพเบื้องหน้าไม่เข้าใจว่าเด็กนั่นแอบปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่โดยไม่คาดคิดแกเริ่ม อ, ออกวิ่งไปรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังนอนขวางอยู่พลางเอาไม้ที่ถืออยู่เคาะผนังดังก๊อกกอกกอพร้อมส่งเสียงกรีดร้องมันดังหวยหวนจนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้ เพื่อนๆผมก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นมานั่งแล้วมองหน้ากันด้วยความงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามร้องห้ามแต่เด็กนั่นก็ไม่ยอมหยุดสักทียังคงวิ่งพล่านร้องฝ่าผนังรอบห้องต่อไปจนผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยังยืนอยู่ที่เดิมพี่ๆช่วยมาเอาลูกไปหน่อยสิครับสนจริงๆผมกวักมือเรียกสองคนนั่นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจใยดี ลูกตัวเองกำลังลบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่คุยกับใครที่ไหนอยู่เหรอแอนดี้แล้วนี่เสียงอะไรใครร้องใครเคาะฝาบ้านเสียงสั่นๆของเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นพร้อมหันไปมองรอบๆ อ, อย่างหวาดหวั่นดากวกบาไม่เห็นใครอยู่เลยเอา้าวก็เรียกให้พ่อของแม่เด็กนี่มาเอาลูกเขาออกไปนะสิวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบอย่างเหลืออด จากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นอาศัยแสงจันทร์หาทางเดินไปยังแผงสวิตไฟแล้วกดปุ่มให้มันทํางานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทั้งห้องยังคงมืดมิดท่ามกลางความงินงงของเพื่อนๆผมกดปุ่มซ้าแล้วซ้าเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังของเด็กนั่นความกดดันประตู ข, ขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ผมใช้นิ้วกระแทกย้ำๆไปที่สวิตอีกหลายครั้งพร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหลืออด ไอ้หนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานพลันสว่างขึ้นเสียงกกระทึกและภาพของเด็กน้อยนั่นกลับหายไปในพริบตาห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆ น, น, นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวผมรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาทั้งสามคนนั่น แต่กลับไม่พบอะไรเลยแข็งใจมองฝาาความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งรับสายตาในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นผมเดินลงไปดูบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนพบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังทาไมนะเมื่อวานพวกเราถึงไม่มีใครเห็นสารนี่กันสักคนสอบถามคนงานดู จึงทราบว่ามันถูกสร้างขึ้นให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้วแต่โชคร้ายที่เรือล่มจมน้ําตายหมดทั้งครอบครัวและศพถูกกระแสน้ําพัดมาเกยตรงบริเวณหน้าหาดบ้านหลังนี้ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีใครพบวิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนและไม่มีใครได้พบกับพวกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ